เราเคยสังเกตต้นไม้เวลาต้นไม้ที่จะแทงยอดสูงใหญ่ได้เนี่ยจะต้องมีรากที่ย่างลึกลงไปในดินยิ่งสูงเท่าไหร่รากก็ยิ่งลึก อันนี้ก็ทํทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถจะต้านทานกับแรงลมพายุฝนได้ยิ่งสูงแทงขึ้นไปในอากาศนะก็ยิ่งมีรากจังลึกลงไปในดินมากเท่านั้นเวลายิงธนู ยิ่งอยากจะให้ธนูแล่นไปข้างหน้ามากเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องโน้มนะสายดึงสายเข้าหาตัวยิ่งเข้ายิ่งดึงมาข้างหลังมากเท่าไหร่เนี่ยธนูมันก็จะมีกำลังแล่นไปข้างหน้าได้เร็วอยากไปข้างหน้าก็ต้องถอยหลังอยากจะสูง ก็ต้องพร้อมที่จะย่างลึกลงไปพวกเราก็เปรียบเสมือนต้นไม้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่อาจจะให้ความสำคัญกับการพยายามที่จะแทงยอดให้สูงสูงสูงเพื่อจะเด่น เพื่อจะเด่งกว่าต้นอื่นแต่ว่าเราเคยมาสำรวจดูรากของตัวหรือเปล่าว่ารากของเรามันยั่งลึกลงไปในใจแค่ไหนมีคนจำนวนมากที่เปรียบเส ม, มือนกับต้นไม้ใหญ่สูงมีการงานมีภาระมากมายแต่ว่า ให้รากหรือฐานภายในเนี่ยมันตื้นนะพะฉะนั้นพอเจอเจอพายุนะเจออุปสรรคเจอแรงกระทบแรงเสียดทานก็สั่นไหวหรือบางทีก็ล้มคลื่นลงมา อันนี้เป็นเพราะอะไรนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าสูงแต่เป็นเพราะว่ารากมันตื้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีข่าวนะเกิดขึ้นกับวัดหนึ่งวัดนั้นนี่เขามี มีทูบที่สูงที่สุดในโลกนะเขาคุยคุยโม้ว่าเนี่ยเขามีทูบยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่นครปฐมแล้วก็มีวันหนึ่งก็เกิดพายุพัดลงมาพัดกระหน่าจนกระทั่งไอ้ทูบยักษ์นี่มันก็พังครือลงมาแล้วก็ทําให้คนตายกลายเป็นข่าวขึ้นนาหนึ่งทั่วประเทศคนก็ บอกกันว่าเนี่เป็นเพราะทูบมันสูงไปที่จริงมันก็ไม่คยมันก็ไม่ได้กระสูงเท่าไหร่นะก็สามสเมตรตึกที่สูงอันนี้มีเยอะนะแต่ที่มันพังคลืนมาจริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามันถาน ม, มันไม่ลึกต่างหากนะถ้าถามมันลึกลงไปแล้วนี่ก็คงจะไม่พังคลืนมาง่ายๆ นั่นสิ่งที่เป็นฐานข้างในเนี่ยสำคัญนะพวกเราถ้าเป็นต้นไม้มีก็อย่าลืมนะรากนะที่อยู่ข้างในไอ้สิ่งนี้มีความสำคัญมากต้นไม้ที่มีรากอย่างเลยแล้วก็แผ่กว้างออกไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นฐานให้ต้นไม้นี่สามารถจะ แข่งก้าแล้วก็แทงยอดสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆในตอนนั้นทานองเดียวกันเวลาเราต้องการความเจริญก้าวหน้าเรานึกถึงภาพธนูที่มันพร้อมจะวิ่งนะไปให้ไกลที่สุดนะแต่ถ้าเกิดไม่น้าวสายให้มาชิดตัว หรือว่าดึงสายมันคล้อมไปข้างหลังมากๆนี่มันก็ไม่มีทางที่จะแล่นไปด้วยกําลังที่แรงได้ต้นไม้ก็ดีหรือว่าธนูก็ดีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่างนี้คือว่าการพยายามการที่จะต้องน้าวเข้ามาหาตัวหรือว่าย่างลึกลงไปในดิน ให้มากที่สุดในทิศทางที่ตรงข้ามกับที่ต้องการจะไปอยากไปข้างหน้าก็ต้องถอยหลังอยากจะขึ้นสูงก็ต้องอย่างลึกอันนี้มันเป็นมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยแต่ว่าคนจานวนมากเดี๋ยวนี้ก็ลืมกฎอันนี้ไปเราไปให้ความสำคัญ ทุ่มเทกับเรื่องชีวิตภายนอกนะจนลืมละเลยเรื่องชีวิตด้านในเราต้องการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ว่าละเลยทรัพย์ภายในชื่อเสียงกิิยศเงินทองพวกนี้นี่มันทำให้เราดูโดดเด่น นะแต่ว่าถ้าข้างในมันไม่มีฐานใจที่อย่างลึกลงไปแล้วนี่นะก็คลอนคลนได้ไ ง, ง่ายๆนะไม่ต้องเจอไม่ต้องถึงกับเจอพายุเจออุปสรรคอะไรก็ได้เพียงแค่เจอลมปากนะเจอแค่ลมปากของคนนี่ก็สั่นไหวแล้วเดีนะ๋ยวนี้พวกเรานีนะ่พอเจอลมปากเข้าไปนี่ กระเถือนเลยอันนี้เพราะใจมันไม่มีรากหรือฐานที่ลึกพอเราไปให้ความสำคัญกับความสำเร็จภายนอกมากจนละลืมจนละเลยนะเรื่องของการทำงานภายใน ถ้าเกิดว่าเราทำให้งานภายในหรือว่าชีวิตด้านในของเรานะมั่นคงแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรข้างหน้านะก็จะทำให้สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้อย่างราบลื่นนะหรือว่าด้วยใจที่มัน่นคง มนุษย์เรานี่ก็มีธรรมชาตินะที่สนใจสิ่งภายนอกเรามักจะให้ความสำคัญกับโลกภายนอกมากกว่าโลกภายในหรือชีวิตด้านในอันนี้อาจจะเป็นเพราะธรรมชาตินี่ให้นะให้เครื่องมือรับรู้โลกภายนอกมาถึง5อย่างนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะ รับรู้โลกภายนอกนะตาก็เอาไว้เห็นรูปนะหูเอาไว้ได้ยินเสียงนะจมกูกไว้รับรู้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายก็รับสัมผัสทั้งหมดนี้นี่ก็ช่วยทำให้เราสามารถจะเอาชนะโลกภายนอกได้ มนุษย์เราไม่มีกำลังวังชาอะไรมากแต่เราก็อาศัยไอยตนะนี่แหละทั้งห้าแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสติปัญญาในการที่จะไปจัดการกรับโลกภายนอกแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะมองข้ามชีวิตด้านในความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ภายใน อันนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเรามีใจที่สามารถจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกภายในได้ห้าอย่างไอตาณาหาอย่างนี้เอาไว้รับรู้โลกภายนอกแต่ว่าอีกอย่างนึงนี้เอาไว้รับรู้โลกภายในห้าตอนหนึ่งนะ มันก็ธรรมดาที่เราจะสนใจกับโลกภายนอกแล้วก็เลยไฝ่ฝันในเรื่องของการแสวงหาความสำเร็จภายนอกจนลืมเรื่องของภาวะภายในซึ่งมันก็ทำให้นอกจากจะขาดฐานที่มั่นคงฐานที่ลึกที่จะทำให้เราเนี่ย ก้าวหน้าหรือพุ่งไปข้างหน้าได้นะอย่างแน่วแน่แล้วหรือยอย่า ง, ย, างยั่งดืนแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเกิดความทุกข์ให้ความทุกข์คนเราจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มาจากไหนไม่ตัวการสำคัญก็คือความทุกข์ภายในแต่พอเราเนี่ยไม่ค่อยได้ หันมาดูหรือรู้เท่าทันโลกภายในของเราพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีอะไรมากระทบเราก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษดินฟ้าอากาศไปโทษผู้คนนะไปโทษหน่วยงานนะหรือบางทีก็ไปกลดาชะตากรรม อะไรก็ไม่รู้และนะที่มันทำให้เราเป็นอย่างนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เราสามารถจะชี้นิ้วออกไปได้รอบตัวแต่เราลืมมองมาที่ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นตัวกาหรือเปล่า สิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดนะมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะแต่ก็คือใจของเรานี่แหละใจที่เราเหินห่างแปลกแยกอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนี้ซึ่งที่จริงก็พร้อมจะมาเป็นมิตรกับเราแต่เพราะความเหินห่างแปลกแยกและเลยแมวใจใส มันก็เลยกลับมาเป็นอันตรายกับเราถึงกับสามารถจะทำให้เราทำร้ายตัวเองได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่คิดจะทำร้ายตัวเองนะมีแต่จะปกป้องให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามนะจากสิ่งภายนอกก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละนะ ที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีความสามารถที่จะทำลายตัวเองได้สามารถที่จะฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุร้อยแปดพัเซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยขนาดคนที่ธรรมดาคนเราเจ็บปวดมากแค่ไหนเนี่ยคิดจะทำลายตัวนี้มีน้อย หรือคิดจะฆ่าตัวตายก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็เพราะเหตุอื่นมากกว่าซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ก่อขาดบาดตายในสายตาคนทั่วไปเท่าไหร่เช่นแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้หรือสอบได้ไม่ถึงเกรด4หรือว่าเรียนได้ไม่ทันเพื่อนหรือแม่ไม่ให้เงินค่าเล่าเรียน หรืออกหักนะสิ่งเหล่านี้นี่ก็สามารถที่จะทำให้คนเราเปลิดชีวิตตัวเองได้ไม่มีใครมาทำให้แต่เป็นเพราะใจที่เราปล่อยปะละเลยจงกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งหมักหมมเน่าเฟะพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายเราได้มากกว่า ใจที่วางไว้ผิดแต่ในทางตรงข้ามก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขได้มาเท่ากับใจที่วางไว้ถูกใจนี่มันสำคัญนะบางครั้งเนี่ยเราก็ทําร้ายตัวเองไม่มีใครมาทําร้ายเราแต่เรากลับทําร้ายตัวเองอันนี้ไม่ใช่เป็น เฉพาะเรื่องใจอย่างเดียวนะแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างเนี่ยที่ทำให้คนเราถึงตายเนี่ยจริงๆแล้วมัน ก, ก็เกิดจากภูมิต้านทานในใจของเราในกายของเรานั่นเองอย่างที่โรคที่เรากลัวกันเวลานี้โรควัด2 0 0 9กซึ่งที่จริงนี่มันก็พิษสงนี่น้อยกว่าอีกหลายโรคอย่างเช่นโรค สาโรคหวัดนกแต่ว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะก็คือมันไม่ได้เกิดจากตัวไวรัสจริงๆที่ตายเนี่ยไม่ได้เกิดจากพิษของไวรัสไม่ว่าจะเป็น H5N1 หรือว่า H1N1 อันนั้นไม่ใช่ตัวการที่ทำให้คนตายนะแต่เป็นภพภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา เวลาเขาผ่าศพนะดูคนที่ตายเพราะหวัดนกหรือว่าพวกซาเนี่ยปอนี่ถูกทำลายยับเยินนะเหลวเละเป็นวุ้นเลยเลือดเต็มปอดไอ้ปอดถูกทำร้ายนี่ไม่ใช่เพราะว่าไวรัสนะแต่เป็นเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายนี่ของเรามันเข้าไปเล่นงานเข้าไปเล่นงาน มันเห็นไวรั ส, สนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในเซลล์อยู่ในเนื้อเยื่อที่ไหนมันก็ส่งกองทัพเข้าไปจัดการถลม่มต้องการถล่มไวรั ส, สนะแต่ว่าก็ทําให้เนื้อเยื่อในปอดหรือในอวัยวะต่างๆที่สําคัญนี้มันพินาศยับเยินไปด้วยมันตื่นตกใจมันไม่เคยเจอมันไม่เคยเจอก็ตื่นตกใจเหมือนกับ มีโจรจับเด็กไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านทนะหารก็ตื่นตกใจกลัวทั้งกลัวทั้งโกรธนะก็มุ่งมั่นจะเล่นงานไอโจรเรียกค่าถ่ายนันอย่างเดียวก็ออกปืนเข้าไปยิงถลม่มเอาระเบิดหรือว่าเอา m 7 9ิ้ยิงเข้าไปหมายจะฆ่า โจนให้ตายแต่ปรากฏว่านอกจากบ้านจะพังยับเยินแล้วเด็กก็ตายไปด้วยนี่เป็นเพราะภูมิคุ้มกันที่มันตื่นตกใจมากนะมันก็ทําให้ร่างกายของตัวเองพังพินาศไปด้วยก็ถึงตายได้นใจที่มันตื่นตกใจใจที่มันว้าวุ่นสับสนนี่มันก็ทําร้ายเจ้าของได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้จักที่จะดูจิต ด, ดูใจของเราหรือให้ความสําคัญกับจิตใจของเราแทนที่เราจะไปพุ่งความสนใจถึงโลกภายนอกอย่างเดียวต้องกลับมารู้ใจของเราบ้างถ้าเราไม่รู้ใจของเราแล้วนะมันก็จะใจนี่แหละก็จะเปิดทางให้ ความทุกข์เปิดใจให้อารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงำอย่างเช่นความโกรธนะพอใจเปิดทางให้ความโกรธเข้ามาครองจิตครองใจแล้วความโกรธมันก็ลุกลามแผ่ขยายนะจนทำ้ายตัวเองได้ขนาดทำ้ายตัวเองก็ยังไม่รู้นะก็ยังไปเพ่งไปใส่ใจกับสิ่งภายนอกเช่นเราโกรธใครเนี่ยนะความโกรธนี่ก็เผารนใจ แต่ว่าเราไม่รู้หรอกเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับไอ้คนที่ว่าเราคนที่ทําให้เราไม่พอใจเราก็คิดแต่จะเล่นงานเขาจนลืมไปว่าไอ้ความโกรธที่เราสมขึ้นมาไว้ในใจนี่แหละมันกําลังทําร้ายเราและทําให้เราทําอะไรที่เป็นทั่วกับตัวเองเพราะความลืมตัว ้เราสังเกตดูนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยนะเราก็อยากจะทำาลายเขานะใจแล้วก็นึกอยากจะด่านะใจก็แช่งชักหักกระดูแต่เราเคยสังเกตหรือเปล่านะว่าไอ้ความโกรธไอ้ความอยากที่จะเล่นงานเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ใช่สุดท้ายอ่ะอย่างแรกเลยที่มันทำร้ายก็คือใจของเราทำให้เราเสียผู้เสียคนไป เขามีเรื่องเล่านะมีคนหนึ่งเขาสร้างบ้านเขามีบ้านอยู่ริมถนนแล้วบ้ายเขานี้ก็มีหลังมีกำแพงนะเป็นบ้านใหญ่นะกำแพงใหญ่ก็เป็นกาแพงที่สวยนะแต่ว่าผ p เอิญถนนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางผ่านของโรงเรียนวัยรุ่นสองโรงเรียน ที่เป็นอลิกันแลวพวกนี้เนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบขีดชอบเขียนบนกำแพงนะเพื่อประกาศสัปดาห์หรือเพื่อคมอคู่ปรับคู่อลเราก็เห็นได้ตามห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำหลายแห่งนะตามปั๊มน้ำมันต่างๆนี่ก็จะมีการขีดการเขียน โดยพฉพาะาเป็นนักเรียนโรงเรียนหนึ่งก็จะเขียนด่าอีกนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งอนอสอเป็นพ่อปอชปชอต อ, อะไรเงี้ยนะก็ก็ใช้กำแพงนี่แหละนะของบ้านของคนเนี้ยขีดเขียนนะด่ากันเจ้าของบ้านนี่เขารักอ่ากำแพงมากรักบ้านมากนะ ก, ก็พยายามติดป้ายขอร้องนะว่าอย่าได้ขีดเขียนก็ไม่มีใครสนใจนะ ก็ยังขีดยังเขียนกันพ่นสเปรย์ทับถมกันทับถมฝ่ายตรงข้าม ก, ก็ต้องเอาเอาเอาเอาสีนี่มาทับนะขอร้องแล้วก็ไม่ได้ผลตอนหลังก็ติดป้ายนะนะอ้างว่าจะขู่ว่าจะใช้จะดำเนินคดีตามกฎหมายก็ไม่สนใจป้ายนั้นก็ถูกฉีดถูกพ่นนะ เขาทำเขาทาหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่มีคนสนใจเลยยิ่งทำก็ยิ่งโกรธนะเพราะว่าไอ้สองฝ่ายนันก็ท้าทายเนะจ้าของบ้านด้วยขีดขีดพ่นสเปรย์ฉีดสีนะไม่ใช่แทะด่ว่าคู่อรีอย่างเดียวนะแต่ว่าเขียนท้าทายเจ้าของบ้าน แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวนะเนขาก็หิวสีมานะีพร้อมกับแปลงมาที่หน้าที่หน้าบ้านแล้วเขียนข้อความตัวใหญ่นะบนกาแพงว่าใครเขียนเป็นหมานะใครเขียนเป็นหมาใครเป็นหมาคนแรกนะเนะจ้าของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านเป็นหมา ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวแต่ทำไมถึงทำแบงนั้นได้เพราะความโกรธพราะความโกรธอยากจะเล่นงานเวลาเราอยากจะเล่นงานใครเนี่ยเราลืมไปว่าเรากำลังเล่นงานตัวเองเรากำลังทำร้ายตัวเองเพราะเราเอาแต่มองไปข้างนอกจนลืมจนลืมมองข้างในนะ ถ้าเรามองไปมุ่งแต่มองแต่ข้างนอกนี่จนลืมข้างในเนี่ยไอ้ข้างในนี่แหละจะถูกอารมณ์ถูกจิตใจที่ที่เกเรเป็นอันตพาลเนี่ยมันทำร้ายเราได้นะจริงๆไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวนะไอ้ความเศร้าความเบื่อนะความเกลียดหรือแม้แต่ความอยาก มันก็สามารถจะเล่นงานเราได้ตลอดเวลาพออยากได้อะไรเนี่ยเพียงแค่เกิดความอยากเท่านั้นแหละนะมันก็ทุกข์ละเพราะใจมันดิน้นนะความไม่อยากก็เหมือนกันนะให้ความไม่อยากเนี่ยมันก็ทํำลายใจของเราได้มันเป็นโทสะอย่างหนึง่งความไม่อยากนะเราไม่อยากเราไม่ชอบเราไม่อยากให้อากาศมันร้อนเราไม่ อยากให้ฝนตกเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่เจือไปด้วยโทสะและพอมันเกิดขึ้นและเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะปรุงขึ้นมานะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทำลายใจของเราได้เราคิดว่าคนอื่นนั่นแหละที่ทำให้เราทุกข์แต่เป็นเพราะเราลืมมองเข้ามาข้างในเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ใจ ที่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆครอบงานั่นแหละที่มันเป็นตัวแผดเผาแล้วก็ทิ่มแทงใจเรามากคนอื่นเวลาใครว่าเราเวลาใครตำหนิเรานะเราก็คิดแต่จะเล่นงานคิดแต่จะตอบโต้เขาแต่เราไม่ดูใจของเราว่าไอ้ใจที่คิดจะตอบโต้นั่นแหละนะที่มันทําให้เราทุกข์แลวจริงๆมันไม่ได้แค่คิดจะตอบโต้อย่างเดียวมันเกิดขึ้นมาจากการที่เอา ย้อนคิดย้อนนึกถึงคำพูดของคนคนนั้นบางทีเขาก็พูดไปแล้วว่าไปแล้วนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดใจที่ไปมีอุปาทานไปยึดคำพูดเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เอามาตอกย้ำซ้าทวนมันก็ยิ่งทำให้มีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็ยิ่งโกรธเพราะยิ่งโกรธแล้วก็ยิ่งคิดจะไปเล่นงานเขา นี่เพราะลืมดูใจของตัวเองลืมดูใจว่าเราไม่ชอบคําพูดเหล่านี้แล้วทําไมเราคิดถึงมันบ่อยๆนะเคยถามไหมเราไม่ชอบการกระทําแบบนี้เราไม่ชอบคําพูดแบบนี้แต่ทําไมชอบนึกถึงมันบ่อยๆเราก็แค่วางมันลงก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนแต่พอเอาเอาคําพูดเอาการกระทำเนี่ยม า, มาย้ําคิดนะมันก็ยิ่งทิมแทง และพอเกิดความกลัวความไม่พอใจขึ้นมาก็ยังไม่รู้ทันอีกนะคิดอยากจะไปเล่นงานเขาบางทีเล่นงานเาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเรานะทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าออกไปแล้วนะเราลืมตัวต้องหลายขั้นตอนนะตั้งแต่ตอนที่เอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาคิดไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็อดีตเนี่ยดึงขึ้นมาเหมือนกับผีตายซากก็ยังฟื้นขึ้นมา ให้มันมาทิมแทงเราและพอเกิดอารมณ์เกิดความไม่พอใจขึ้นก็ไม่รู้ทันนะและพอคิดแต่จะเล่นงานเขายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งถึงท่านที่ระเบิดออกมาทำอะไรที่ไม่สมควรก็ยังไม่รู้ทันเรียกว่าลืมตัวนะอย่างคนที่เขียนป้ายบากนกาแพงเนี่ยนะเขียนชัดๆตัวใหญ่ๆก็ยังไม่รู้ว่ากำลังด่าใครนะอันนี้เรียกว่าลืมตัว ลืมตัวพราะอะไใครมาทําให้ลืมตัวนะเป็นพ่อใจของเราต่างหากานะะนั้นใจที่มันวางไว้วางไว้ผิดเนี่ยนะมันก็ทําให้เราทําร้ายตัวเองได้งั้นเราเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องของลิงที่มันลิงที่ลิงที่มันเกลียดกระปิมากแล้วนะบางทีก็มีคนมาแกล้งมันทําให้มันเนี่ยเช่นเอา อย่างที่วัดเนี่ยบางทีก็มีมันชอบขโมยชอบกินพวกของบางทีก็มีคนโยนข้าวเหนียวให้มันมันก็ชอบทีแรกก็น่ารักดีนะเห็นมันมาก็โยนข้าวเหนียวให้แต่พอมันได้ข้าวเหนียวแล้วก็ชอบก็จากคราวนี้ก็จะมาตามตื่อแล้วคราวนี้พอไม่ได้ก็จะค้นก็เจอก็เจิงค้นจะไปถึงครัวเปิดประตูครัวได้นะวิธีหนึ่งที่จัดการมันคือเอา กะปิยัดไส้ยัดไส่ยัดไส้ข้าวเหนียวนะพอมันกินข้าวเหนียวเข้าไปมือมันก็ไปติดกะปิพอมือมันติดกะปิเปนไงมันเหม็นมันไม่ชอบนะมันก็พยายามที่จ ะ, ะกาจัดกะปิออกไปมันไม่รู้จักใช้ผ้าใช้อะไรมันก็ใช้มือเนี่ยขูดกับหินขูดกับเปลือกไม้ ขูเสร็จก็เอามาดมนะมันไม่ชอบกะปินะแต่มันมันอดดมไม่ได้ก็เหมือนเราอะถ้ามือเราไปถูกกะปิมือเราไปถูกขี้หมาเนี่ยเราก็พอล้างเสร็จแล้วก็ต้องเอามือมาดมมันเหม็นไม่ชอบแต่เราก็อดเอามาดมไม่ได้ดมเสร็จเหม็นก็ล้างใหม่ล้างใหม่เสร็จเอามาดมอีกนะกะปิก็ลิงก็เหมือนกันก็ทําอย่างนั้นแหะมันไม่ได้จะไปจะไปว่ามันเพราะเราก็ทําอย่างนั้นเหมือนกัน มันก็จะมือขูดขูดขูดขูดขูดขูดขูดแล้วก็ดมดมแล้วก็ขูดใหม่จนกระทั่งเลือดออกหลายซิปมันก็ยังไม่เลิกนะถ้ายังมีกลิ่นกระปิอยู่ถามว่ากระปินี่ทําให้มันเลือดไหลปะทําให้มันเป็นแผลหรือปาก็ะตีไม่ทําให้มันเป็นแผลนะแต่ที่มันมีแผลเนี่ยก็เพราะความเกลียดกระปินะใจที่เกลียดกระปินี่แหละที่ทําให้มันลืมตัวนะ มันอยากจะกำจัดกระปีออกไปแต่สุดท้ายมันทําร้ายตัวเองคนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคำพูดที่เราไม่ชอบคำพูดบางอย่าง ก, ก็เป็นคำพูดธรรมดาแต่เราเก็บเอามาคิดนะบางทีเขาก็ไม่ได้ด่าว่าแลยเขาบอกเพียงแต่ว่าเราไม่มีสตินะพอไม่มีสติท่านโอ้มันเก็บเอามาคิดเลยสมัยก่อน บวชใหม่ๆอยู่วัดสนามในก็ฉันจานกลัมังนะฉันแล้วเนี่ยเราก็ฉันไม่ก็มีภาพใหม่หลายรูปพอฉันแล้วก็ฉันไม่เป็นเสียงก็ดังเสียงช้อนกระทบกลัมังนะก็มีพระที่เป็นพระพี่เลียงท่านก็บอกว่าอย่าฉันเสียงดังนะฉันให้มีสติหน่อยท่านก็พูดไปเลอยลอยแต่เราเก็บมาคิดแล้วว่าท่านว่าเราท่านว่าเรา เราก็เก็บเอามาคิดท่านะ น, น, นที่ท่านไม่ได้เจาะจงนะที่จะว่าใครแล้วก็เป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาแต่เราเก็บเอามาคิดแล้วนะว่าเขาเจาะจงว่าเรานี่หูหาเรื่องนะเป็นพ่อหลายพ่อใจที่มันชอบปรุงแต่งนะแล้วก็เอามาเอามาเอามาปรุงจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจนะเกิด รู้สึกอคติต่อพระพี่เลี้ยงท่านนั้นนะนี่ไปกันใหญ่เลยนี่เพราะเราลืมดูใจของเรานะแต่ถ้าเราเวลาเราจะเวลาเกิดอะไรมากระทบกับเราแม้ว่จะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบกับเราสิ่งนี้สำคัญคือเราต้องมาดูใจของเราด้วยก่อนที่เราจะไปจัดการกับสิ่งภายนอกที่มาทำให้เราไม่พอใจที่ทำให้เราทุกขนะ์ต้องไม่ลืมดูใจของเรา นะถ้าเราลืมไปเนี่ยเราก็อาจจะเผลอทาในสิ่งที่ไม่สมควรหรืออย่าง น, น้อยๆเนี่ยเราก็จะปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยเผาลนหรือทิ่มแทงจิตใจของเราได้ต้องฉลาดนะฉลาดในการดูใจของเราด้วยต้องถือหลักไว้เลยว่ามองนอกเนี่ยอย่าลืมในนะทำช่างของเราเนี่ยมองนอกอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไร เราก็จำเป็นต้องมองข้างนอกเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นอะไรข้างนอกมันไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าอย่าไปเพ่งแต่ข้างนอกนะจนลืมในถ้าเราลืมในแล้ว เ, เราก็ทุกแต่เราถ้าเราฉลาดในการที่จะทำให้มันสมดุลคือว่ามองนอกแล้วก็เราก็ไม่ลืมในด้วยเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงและเราก็อาจจะกลายเป็น เราก็จะไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาได้เคยไปฟังเคยไปอภิปรายร่วมกับหลวงพ่อพยอมนะก็มีตอนหนึ่งท่านก็เล่าท่านก็ลอยฝังว่าท่านได้ไปดูหนังสารคดีรายการหนึ่งท่านประทับใจมากรนะายการนี้ตามาก็เคยดูแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ดูเป็นรายการของทีวีไทยเรื่องพลเมืองเด็ก เข ก, ก็เอาเด็กหลายๆคนนี่มาทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายปคปล้ายๆเป็นเรลิตตี้โชวคราวนั้นก็เอาเด็ก3คนมาทำกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือขนของขึ้นรถไฟที่จริงทําหลายอย่างแต่ว่ามีการขนของขึ้นรถไฟด้วยถ้าขนของขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็ต้องเล่งทำนะเพราะรถไฟมีเวลาออกถ้เาเพลินบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอยนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเขาขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดเด็กชาย2คนก็ เลยทิ้งงานนะไปดูถ่ายทอดชกมวยก็ปล่อยให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุก็สิบสองสิบสาอายุไล่ๆกันขนของคนเดียวเหนื่อยเลยนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงนะที่เพื่อนเขาหนีไปดูหนังไปดูโทรทัศน์เด็กคนนั้นก็ตอบดีเขาบอกว่าเออก็เห็นใจก็เพราะว่านานๆเขาจะได้ดูนะ เพือนหนูก็ไม่ชอบไม่ชอบดูมวยมันก็ทําไปพิธีกรก็ถามใหญ่ต่อไปว่าแล้วหนูไม่ไม่ไม่โกรธหรือไม่คิดจะไปด่าว่าเขาเหรอนะ่ยที่เขาทิ้งให้หนูทําคนเดียวอะ่ะเด็กเขาตอบดีนะก็ตอบว่าหนูขนของคึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปกรดไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะีพวกเรานี่ ถ้าเป็นเด็กคนนั้นนี่เราจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่างคนส่วนใหญ่นี่เลือกเหนื่อยสองอย่างนะคือขนไปก็ด่ามันไปขนไปก็ด่ามันไปไม่น่าเลยนะทำไมมึงทิ้งให้กูทาคนเดียวนะหรือไม่ก็โทษโน่นทนนี่ถ้าคนทำงานเวลานี้เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไม่ได้เหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจนะ เหนื่อยกายเพราะขนของแต่เหนื่อยใจหรือทุกข์ใจเพราะว่าใจมันบน่นใจมันววยวายใจมันไม่พอใจนะเพื่อนบางทีเราก็ไม่พอใจเพื่อรวมงานบางทีเราก็ไม่พอใจเจ้านายนะเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเหนื่อยสองอย่างแต่เด็กคนนี้เขาฉลาดนะเขารู้ว่าถ้าเขาโกรธเพื่อนเนี่ย มันก็ทําให้เขาทุกข์ก็เขาเหนื่อยอยู่แล้วขนของขนรถไฟแล้วทําไมจะหาทุกข์มาใส่ตัวนะแต่เด็กคนนี้เนี่ยเขาก็รู้นะว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายใจของเราเป็นอย่างแรกแล้วเขาก็มีสติรู้ด้วยมีสติรู้ทันนะเวลาใจมันโกรธเนี่ยเห็นใจมันโกรธแล้วก็รู้เลยว่านี่กำลังกำลังทำร้ายตัวเองแล้วกาลังจะทําให้เหนื่อย2 อ, อย่างเขาก็วางความโกรธนะหรือจะเรียกว่าเขาตัดใจก็ได้ ก็ทําให้เขาก็สามารถทํางานได้คนเราถ้าเราฉลาดเนี่ยฉลาดดูใจของเราเนี่ยถ้ามันก็มันจะเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างเดียวนะก็คือเหนื่อยเหนื่อยกายหรือถ้าจะเจ็บก็เจ็บอย่างเดียวนะคือเจ็บที่กายผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยเมื่อโดนเมื่อเจอทุกขเวทนาก็จะเปรียบเส ม, มือนเจอธนูสองดอกธนูดอกแรกนี่คือเกิดทุก ข, ขเวทนาทางกาย ธนูดอกที่สองเกิดทุกเวทนาทางใจนะแต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วนี่ก็โดนแค่ธนูดอกเดียวคือปวดกายแต่ไม่ปวดใจนะเวลาเราเวลามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะลองดูใจของเราดูแลถ้าเราฉลาดที่จะดูใจของเราแล้วเนี่ยถ้าจะขาดทุนก็แค่ขาดทุนอย่างเดียวเช่นเงินหาย เงินหายก็หายแต่เงินนะแต่ใจไม่หายด้วยแต่ถ้าไม่ดูใจนะมันก็จะเศร้าเสียใจหรือเสียดายว่าทำไมเงินหายทำไมทำให้ใครเอาเงินเราไปนะมันจะเฝ้าเสียดายเฝ้าเสียใจทั้งท้ที่เงินหายไปแล้วเอาเอาเอ า, เอาคืนไม่ได้อันนี้เราว่าทุกสองต่อนะคือทรัพย์ก็เสียไปแล้วก็ใจก็ยังเสียด้วยบางที่กินอาหารก็ไม่อร่อยนะ กินอาหารก็ไม่อร่อยเพราะว่านึกเสียดายเงินที่เสียไปเงินที่หายไปอาหารอาาร่อยอยู่ตรงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้สึกอร่อยกับอาหารที่กินนะเรียก ว, ว่าเสียโอกาสเสียโอกาสที่จะได้รับความสุขข้างหน้าหรือต่อหน้าแล้วก็ยังนอกจากจะไม่ได้รับความสุขที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังยังมีความทุกข์อีกคือนอกจากไม่เป็นบวกแล้วยังติดลบอีกนะถ้าเป็นกลางกลางก็ยังดี แล้วคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเหตุนี้มากนไม่ใช่เพราะมพาะมีเหตุการณ์มากระทบเหตุการณ์มากระทบนี่ก็ทำให้ทุกหนึ่งหนึ่งแล้วแต่พอใจวางไว้ผิดมันก็เพิ่มอีกเป็นคูณ2คูณสเนะเวลามีคนตำหนิก็เหมือนกันนะตำหนิมันก็เพียงแค่หลมปากปล่อยให้ผ่านเลยไปได้แต่พอใจเอามาคิดก็กลายเป็นทุกข์นะลองดูเถอะนะนเวลามีอะไรมากระทบเราเนี่ย หรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไอ้ใจที่มันลืมดูดูข้างในเนี่ยก็ทำให้เรากลายเป็นไปเล่นงานคนอื่นหรือแม้แต่เพียงแค่คิดเท่านั้นเองทำอะไรก็ตามนะมีอะไรเกิดก็ตามอย่าทุกสองอย่างอย่าทุกสองต่อเออถ้าตกงานมันก็ลำบากเรื่องงานการอยู่แล้วหรือว่าทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง แต่ทำให้ความสุขในใจเราพร่องไปด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้ใจนี้มันพร่องหรือหนักขึ้นไปอีกนะคือเอาความทุกข์เข้ามาเติมเข้ามาใส่ฉะนั้นถ้าคนเรารู้จักดูใจของเราแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวแทนที่จะเป็นทุกสองอย่างนะต่อไปเนี่ยแม่ทุกที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นของดีได้ มีหลวงพ่อท่านท่านหนึ่งท่านบอกว่าคนดีนะใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ก็คือว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ต่อไปเงินหาย แ, แต่ก่อนทุกสองอย่างคือของหายใจก็หายด้วยต่อมาพอดูใจอ้าวหายแต่ของ แต่ใจไม่ทุกต่อมาฉลาดขึ้นเออของหายก็ดีเหมือนกันนะมันก็สอนใจเราว่าไม่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่จีหลังยั่งยืนเลยอ่อันนี้พอพอมีสติปัญญาก็เกิดก็กลายเป็นของดีไปเงินหายก็ดีเหมือนกันนะอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าได้กาไรแล้ว เราต้องมาถึงตรงนี้ให้ได้นะคือเปลี่ยนจากทุกสองต่อหรือขาดทุน2ต่อให้กลายเป็นกําไรแต่ก่อนอื่นเนี Se ่ยเปลี่ยนจากทุกสองต่อให้กลายเป็นทุกต่อเดียวก่อนเวลางานมันเสียงานมันล้มเหลวเออก็เสียแต่งงานแต่ใจเราไม่เสียด้วยอันนี้เรียกว่าทุกต่อเดียวแต่ก่อนนี่มันทุกสองต่องานก็เสียใจก็เสียต่อมาเราฉละเราฉละดดูใจก็เสียแต่งงานแต่ใจไม่เสีย ต่อมาเราฉลาดขึ้นอีกนะพอเราสามารถที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นอองานมันเสียก็เป็นประโยชน์นะเป็นข้อดีเหมือนกันทําให้เรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงตัวเราอย่างไรหรือมันก็สอนใจเราว่าคนเรามันไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกอย่างมันก็ต้องมีมีมีล้มเหลวบ้างถ้าเราคิดแบบนี้นี่นะเราก็จะไม่ขาดทุนแล้วคราวนี้เราได้กําไรเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามเนี่ยอย่ามัวแต่มองนอกนะให้มาดูใจหรือดูดูข้างในด้วยอันนี้รับรองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็จะไม่มีทางขาดทุนได้เลยมีแต่กำไรอ่ะวก็พูดกันเท่านี้ครับ